นนี้ท่านทั้งหลายมีเวลาว่างเลยเข้ามาวัดกันการเข้าวัดนี้ตามหลักของการเข้าวัดที่ถูกต้องก็คือเข้ามาเพื่อศึกษาหาความรู้จากพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าที่รู้ ความรู้ที่จะช่วยให้เราปลดเปื้องความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของพวกเราให้หมดสิ้นไปนอกจากการเรียนรู้แล้วเราก็ยังต้องเอาความรู้ที่เราได้เรียนรู้ไปปฏิบัติกับกายวาจาใจของเราที่เป็น เหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์ใจความไม่สบายใจต่างๆการเข้าวัดนี้จึงเป็นเหมือนกับการไปโรงเรียนไปเรียนหนังสือพอได้เรียนแล้วก็เอาไปทำการบ้านเอาไปฝึกเอาไปซ้อมแล้วพอเวลามีข้อสอบ มีปัญหาต่างๆที่จะมาสร้างความทุกข์ใจให้กับเราเราก็เอาความรู้ที่เราได้เรียนรู้เอาการบ้านที่เราได้ทำนี้มาแก้ปัญหาได้ทำให้ความทุกข์ใจความไม่สบายใจต่างๆหายไปได้โดยที่ไม่ต้องไปหาอะไรมาแก้ ไม่ต้องไปหาน้ำมนต์มาแก้ไม่ต้องไปหาหมอดูให้หมอบอกว่าให้ไปทำอะไรไปหาหมอดูหมอดูบางคนก็บอกว่าให้ไปเปลี่ยนชื่อให้ไปเปลี่ยนทรงผมให้ไปเปลี่ยนคิว้วอันนี้ไม่ใช่เป็นวิธีแก้ปัญหาแก้ความทุกข์ทางใจของพวกเรา ความทุกข์ทางใจของพวกเรานี่เกิดจากความหลงของพวกเราคือความไม่รู้ว่าความทุกข์ของพวกเรานี้เกิดจากอะไรกันแน่เรามักจะคิดว่าเกิดจากคนนั้นคนนี้เกิดจากเรื่องนั้นเรื่องนี้เช่นตอนนี้มีโรคระบาดเราก็มีความไม่สบายใจกันเราก็โทษ โรคระบาดว่าเป็นตัวที่ทำให้เราไม่สบายใจแต่คนที่เขาไม่เดือดร้อนกับโครคภัยไข้เจ็บก็มีจะมีโรคระบาดจะมีอะไรเขาเฉยๆเขาไม่เดือดร้อนเช่นพระพุทธเจ้าพระอรันตสาวกนี่ถ้าไม่เดือดร้อนกับโครคภัยไข้เจ็บต่างๆ มีก็มีไปอยู่กับมันไปเป็นก็รักษาไปรักษาหายก็หายรักษาไม่หายก็ไม่หายถ้าจะตายก็ตายก็ให้มันตายไปเพราะมันเป็นเรื่องธรรมดาของร่างกายของทุกคนที่เกิดมาแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย ไปห้ามมันไม่ได้เวลาที่มันจะเจ็บเวลาที่มันจะเป็นไข้หวัดเป็นอะไรขึ้นมามันก็เป็นขึ้นมาแต่เราก็รักษากันไปไม่ได้ห้ามรักษาได้ก็รักษาไปรักษาไม่ได้ก็ก็อยู่กับมันไปถ้ามันไม่ได้ทำให้เราตายมันอยากจะอยู่กับเราเราก็ให้มันอยู่คนบางคนมี โรคประจำตัวเห็นไหโรคประจาตัวรักษายังไงมันก็ไม่หายก็อยู่กับมันไปเพียงแต่ว่าอย่าให้มันกําเริบอย่าไปให้มันทำให้เราตายก็แล้วกันเราก็ต้องหัดอยู่กับมันถ้าเราอยู่กับมันได้เราก็จะไม่เดือดร้อนเราก็จะไม่วุ่นวายใจปัญหาของใจของพวกเราคือใจของเรามันเดือดร้อน เพราะความอยากพอเจออะไรที่มันไม่ชอบมันก็ไม่อยากจะได้อยากจะให้มันหายไปไม่อยากจะให้มันมาแต่ของต่างๆนี้เราไปควบคุมบังคับไปห้ามมันไม่ได้เวลามันจะมามันก็มาเวลามันจะไปมันก็ไปเวลามันจะอยู่มันก็อยู่ที่เราวุ่นวายใจกันกับพ่อ เวลาของที่ไม่ชอบมาเราก็วุ่นวายใจเวลาของที่เราชอบมันจากไปเราก็วุ่นวายใจทั้งทั้งที่เราสามารถที่จะอยู่เฉยๆได้ไม่วุ่นวายใจไปกับการไปการมาของสิ่งต่างๆนั่นก็เป็นเพราะว่าเราไม่รู้วิธีที่จะ ทำให้ใจเรานี้ไม่เดือดร้อนกับเรื่องราวต่างๆกับเหตุการณ์ต่างๆถ้าเราได้มาเรียนธรรมะได้เรียนคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจะสอนว่าให้พวกเรามาสอนใจให้รู้ความจริงของสิ่งต่างๆที่เราไปเกี่ยวข้องด้วย หรือที่มันมาเกี่ยวข้องกับเราว่าเวลามันมาเวลามันมาก็ต้องปล่อยให้มันมาเวลามันไปก็ต้องปล่อยให้มันไปเวลามันอยู่ก็ต้องปล่อยให้มันอยู่อย่าไปอยากให้มันไปอย่าไปอยากให้มันอยู่เพราะว่าถ้าเกิดความอยากแล้วใจเราจะไม่สบายใจเราจะทุกข์ขึ้นมา ความทุกข์ใจของพวกเรานี้ไม่ได้เกิดจากเหตุการณ์ต่างๆไม่ได้เกิดจากบุคคลต่างๆไม่ได้เกิดกับร่างกายกับอาการต่างๆที่เกิดขึ้นกับร่างกายแต่เกิดจากความอยากของใจเองที่ไปอยากให้เป็นอย่างนั้นให้อยากให้เป็นอย่างนี้หรืออยากให้ไม่เป็นอย่างนั้นอยากให้ไม่เป็นอย่างนี้ พอเกิดความอยากขึ้นมาแล้วใจก็วุ่นวายขึ้นมาถ้าได้ก็ดีใจเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวก็เกิดเรื่องใหม่มาให้วุ่นวายใจใหม่แต่ถ้ารู้จักวิธีที่จะทำให้ใจเรานิ่งเฉยได้แล้วสอนใจให้เรนับรู้ความจริงของสิ่งต่างๆ ว่ามันเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับมันได้เสมอบางเวลาเราอาจจะควบคุมบังคับมันได้สั่งมันได้แต่บางเวลาเราก็ควบคุมมันไม่ได้สั่งมันไม่ได้ห้ามมันไม่ได้เราก็ต้องรู้จักปล่อยวางถ้าเราปล่อยวางเป็น ใจของเราก็จะไม่เดือดร้อนใจของเราก็จะเย็นจะสบายเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ถ้าปล่อยวางไม่ได้ใจเราก็จะเดือดร้อนจะวุ่นวายใจกินไม่ได้นอนไม่หลับกระสับกระส่ายกระวนกระวายนี่คือความรู้ทางพระพุทธศาสนาจะสอนให้เรา รู้จักวิธีที่จะอยู่กับสิ่งต่างๆที่เราต้องเจอเมื่อต้องอยู่ด้วยเพราะเมื่อเรามาเกิดแล้วนี่เราจะลิกเลี่ยงสิ่งต่างๆจากการมาเกิดไม่ได้พอเกิดมาแล้วร่างกายของเรามันก็เริ่มจเจริญเติบโตมันก็เป๊ะ มันก็เริ่มออกเดินทางไปตามวิถีทางของมันวิถีทางของร่างกายก็คือจเจริญเติบโตโตจนเป็นผู้ใหญ่แล้วก็เป็นคนแก่เป็นคนเจ็บแล้วก็เป็นคนตายถ้ามาเกิดแล้วไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามจะเป็นขอทานข้างถนนเป็นพระเจ้าแผ่นดิน เป็นนายกเป็นประธานาธิบดีเป็นมหาเศรษฐีร่างกายของทุกคนก็เป็นเหมือนกันหมดเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่ใจนี้ที่มาได้ร่างกายนี้ไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายเปนกับร่างกายปัญหาของพวกเราที่มาเกิดกันนี้ มาเกิดแล้วเราไม่รู้ว่าเราเป็นใครกันเราไปหลงคิดว่าเราเป็นร่างกายซึ่งความจริงเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นดวงวิญญาณที่มาเกาะร่างกายแล้วก็ใช้ร่างกายพาให้ไปทำอะไรต่างๆเปรียบเหมือนกับคนขี่มา้า คนขี่ม้ากับม้านี่เป็นคนละคนกันคนขี่ม้าก็สั่งให้ม้าวิ่งไปไปทิศทางไหนก็สั่งมันไปได้ดวงวิญญาณที่มาเกาะร่างกายนี้ก็คือผู้รู้ผู้คิดนี่มีชื่อว่าดวงวิญญาณพอมาเกาะมาติดกับร่างกายก็เปลี่ยนชื่อเป็นจิตใจ จิตใจเป็นผู้รู้ผู้คิดผู้สั่งผู้ใช้ร่างกายให้ทำอะไรต่างๆก่อนที่จะเดินทางมาที่นี่ได้ผู้รู้ผู้คิดก็ต้องคิดก่อนว่าวันนี้ไปไหนดีไปวัดไหมอพอคิดแล้วก็บอกไปวัดไปวัดก็สั่งให้ร่างกายออกเดินทางมาวัดเนี่ย เนี่ยร่างกายเป็นคนคอยรับคำสั่งถ้าไม่มีผู้สั่งร่างกายมันก็ไม่ไปไหนเช่นเวลาร่างกายกับจิตใจแยกแยกทางกันร่างกายก็นอนอยู่เฉยๆอยู่ตรงไหนก็จะไม่ขยับเยื้อนไปไหนเพราะผู้สั่งการผู้บังคับบัญชาการคือจิตใจไม่ได้อยู่กับร่างกายแล้ว ตอนนั้นร่างกายเราก็เรียกว่าซากศพมันก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรได้มันต้องรอให้มีผู้มาสั่งมันแต่มันไม่มีผู้สั่งแล้วเมื่อแยกทางกันแล้วร่างกายก็ไม่สามารถทำอะไรได้ด้วยตัวของมันเองนี่คือสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้สิ่งแรก จากการมาศึกษามาฟังคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าคือให้รู้ว่าเรากับร่างกายนี้เป็นคนละคนกั น, เ, นเราไม่ได้เป็นร่างกา ย, เ, ยเราเป็นใจผู้สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆเรามาได้ร่างกายตอนที่พ่อแม่ผลิตร่างกายนี้ขึ้นมามเวลามีการผสมพันธ์ เชื้อของพ่อกับเชื้อของแม่ก็จะมารวมตัวกันพอรวมตัวกันแล้วก็เริ่บก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาในท้องแม่พออยู่ได้เก้าเดือนก็จเจริญเติบโตมีอาการครบสามสิบสองมีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกมีเยื่อในกระดูกมีม้ามมีหัวใจมีตับ มีผังเผิดมีไตมีปอดมีลำไส้มีสมองมีน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำชะเล็ดน้ำมันข้นน้ำมันเหลวน้ำตาน้ำมันน้ำตาน้ำมันเหลวน้ำตาน้ำมันข้นน้ำน้ำมมกน้ำมูดอะไรต่างๆเหล่านี้นี่คือส่วนประกอบของร่างกาย ที่สร้างร่างกายนี้ขึ้นมาในขณะที่อยู่ในท้องแม่แล้วพอถึงเวลาก็คลอดออกมาจากท้องแม่แล้วก็รอรับคำสั่งของใจใจสั่งให้ร่างกายทำอะไรร่างกายก็ทำเบื้องต้นก็สั่งให้ร้องออกจากท้องแม่มาก็ไม่ไม่มีลมหายใจก็ร้อง เขาก็เลยต้องกระตุ้นให้หายใจพอาหายใจแล้วเดี๋ยวก็ร้องหิวน้ำหิวอาหารเขาก็หาอาหารมาให้กินให้ดืม่มเดี๋ยวก็ร้องว่าร้อนเดี๋ยวก็ร้องว่าหนาวนี่แหละผู้สั่งการนี้ไม่ใช่ร่างกายผู้สั่งการคือใจผู้รู้ว่าตอนนี้ร่างกายกาลังต้องการอะไร รู้ว่าตอนนี้ร่างกายกำลังหิวน้ำหรือว่าตอนนี้ร่างกายกำลังหิวอาหารตอนนี้รู้ว่าร่างกายร้อนร่างกายไม่สบายเวลามีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยทางร่างกายตัวร่างกายเองมันไม่รู้หรอกว่ามันเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะในตัวร่างกายมันไม่มีตัวรู้ไม่มีส่วนไหนของร่างกายที่เป็นตัวรู้ ผมมันก็ไม่รู้ว่ามันเป็นผมขนเล็บฟันหนังมันก็ไม่รู้ว่าเป็นเล็บฟันหนังผมจะสั้นผมจะยาวมันก็ไม่รู้ว่ามันสั้นหรือยาวเล็บจะสั้นหรือจะยาวผมจะงอกหรือไม่งอกผมไม่รู้หรอกว่ามันเป็นยังไงผู้ที่รู้ก็คือจิตใจนี้เองที่มาเกาะติดกับร่างกาย <c oughs> จิตใจเกาะติด กับร่างกายอย่างไรจิตดีกระแสที่ส่งมาเกาะติดที่ตาหูจมูกลิ้นกายกระแสของการรับรู้ของใจนี่เรียกว่าวิญญาณวิญญาณทางตาวิญญาณทางหูวิญญาณทางจมูกทางลิ้นทางกายพอตาของร่างกายไปเห็นภาพเข้าเห็นรูปมันก็ส่งมาที่กระแสผู้รับรู้ที่ตา ผูรับกระแสกระแสรับรู้ก็ส่งรูปไปที่ใจผู้รู้อีกทีหนึง่งใจก็รู้ว่าออมีภาพแล้วแล้วก็บก็มีความจําอยู่ในใจบางทีภาพนี้เคยเห็นแล้วก็จําได้เจําได้ว่าเป็นภาพอะไรเป็นมีชื่อว่าอะไรเป็นดีหรือไม่ดี พอมีรู้การรับรู้แล้วก็เกิดความรู้สึกต่อภาพนั้นถ้าเป็นภาพที่ดีก็เกิดความรู้สึกดีคือความสุขขึ้นมาพอไปรับรู้ว่าเป็นภาพที่ไม่ดีก็เกิดความรู้สึกทุกข์ขึ้นมาผู้ที่สุขผู้ที่ทุกข์นี้ไม่ใช่ร่างกายถึงแม้ร่างกายเป็นตัวเป็นผู้รับรู้รูปเสียงกลิ่นรสก็ตาม แต่ร่างกายไม่รู้ว่ารูปเสียงกลิ่นรสที่รับเข้าไปที่ร่างกายนี้ดีหรือไม่ดีอย่างไรใจต่างหากเป็นผู้รับรู้แล้วก็เป็นผู้เกิดความรู้สึกขึ้นมาในใจเวลารับรู้รูปที่ดีก็เกิดความสุขขึ้นมาเวลารับรู้รูปที่ไม่ดีก็เกิดความทุกข์เกิดความไม่สบายใจขึ้นมาแล้วพอเกิดการรับรู้ว่า ดีไม่ดีสุขหรือไม่สุขแล้วก็มีการเริ่มจัดการทันทีเริ่มคิดทันทีว่าจะทํำยังไงดีถ้าตรงนี้ไม่ดีก็ย้ายที่นั่งตรงนี้แล้วมันร้อนแดดส่องเอใจก็บอกเปลี่ยนที่ลุกขึ้นไปหาที่ร่มเนี่ยใจก็ถ้าเปลี่ยนได้ก็ดีไปถ้าเปลี่ยนไม่ได้ใจก็เครียดขึ้นมาเอ ร่างกายไม่เดือดร้อนร่างกายดให้มันแดดเผายังไงมันก็ไม่เดือดร้อนร่างกายมันทําตามคําสั่งพวกที่ชอบอาบแดดไม่เห็นเขากลัวแดดใช่ไหมเขานอนอาบแดดได้เป็นชั่วโมงแต่พวกที่ไม่ชอบอาบแดดพวกที่ชอบรักษาผิวเนี่ยพอเจอแดดหน่อยก็รีบหนีลหนีแดดนะนี่นมันที่สุขที่ทุกนี่มันไม่ได้อยู่ที่ร่างกาย ที่สุขที่ทุกข์นี้นมันอยู่ที่ใจของผู้ที่มาครอบครองร่างกายแล้วก็ต้องการให้ร่างกายเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอไม่ได้เป็นตามที่อยากได้ก็ทุกข์ขึ้นมาพอผิวมีฝ้าตกกะขึ้นมามีสีค้าถ้าชอบผิวเนียนนี้มันก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาแต่พวกที่เ็าชอบสี สีเข้มเขาก็ไม่ทุกข์ใจเข้ากับดีใจเขากับโชว์อวดกันว่าโอ้ยผิวฉันสีเข้มเนี่ยอพวกสีพวกที่มีผิวขาวนี้กลับไปชอบให้มันเข้มน ะ, ะพวกาหลังเนี่ยชอบมาอาบแดดเพราะสีขาวแล้วมันดูซีดดูไม่มีชีวิตชีวาอพออาบแดดแล้วเป็นสีเข้มดูแล้วมีสีสันนพวกนั้นก็ก็ดีใจมีความสุข ถ้าชอบสีเข้มพอได้สีเข้มก็มีความสุขแต่พวกที่ชอบสีขาวพอไปได้สีเข้มก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมามันไม่ได้อยู่ที่ร่างกายใช่หไหมร่างกายมันไม่ทุกข์กับสีของผิวหรอกผิวจะขาวผิวจะเข้มมันไม่เดือดร้อนร่างกายแต่ผู้ที่มาครอบครองร่างกายเนี่ยเป็นผู้ที่เดือดร้อนเดือดร้อนเพราะความอยากใคร ถ้าอยากแล้วไม่ได้ดังใจอยากก็เกิดความเดือดร้อนเกิดความทุกข์ใจขึ้นมานี่แหละปัญหาของพวกเราสรุปลงที่ความอยากของพวกเรานี่เอง oui, ความอยากได้อยากมีอยากเป็นถ้าได้ก็ดีใจถ้าได้ดังใจอยากก็ดีใจพอไม่ได้ดังใจอยากก็เสียใจเนี่ยความสุขความทุกข์ความดีใจความเสียใจของพวกเรานี้ อยู่ที่ความอยากของพวกเราถ้าไม่มีความอยากก็จะไม่มีความดีใจก็ไม่มีความเสียใจจะมีความรู้สึกเฉยๆไม่เดือดร้อนพระพุทธเจ้าทรงค้นพบว่าวิธีที่ดีที่สุดสำหรับใจของพวกเราก็คือให้อยู่เฉยๆดีที่สุดอย่าไปดีใจอย่าไปเสียใจ พอดีใจกับสิ่งที่ได้มาเดี๋ยวสิ่งที่ได้มาไม่ช้าก็เร็วก็ต้องมีการพัดภาคจากกันพอเกิดการพัดภาคจากกันความดีใจก็หายไปความเสียใจก็เกิดตามมาความเศร้าใจความเศร้าโศกเสียใจก็ตามมาแต่ถ้าเฉยๆกับสิ่งที่มาไม่ดีใจไม่เสียใจมันอยู่ก็เฉยเวลามันไปก็เฉยไม่เดือดร้อนนน นี่แหละคือสิ่งที่พระธเจ้า ส, สอนให้พวกเรามาหัดทากันก็คือหัดทําใจให้เฉยเฉยอย่าไปรักอย่าไปชังอย่าไปยินดียินร้ายกับสิ่งนั้นสิ่งนี้เอเพราะว่ามันจะทําให้ใจเราวุ่นวายรักอะไรก็วุ่นวายพอรักแล้วก็หวงก็ห่วงแล้วเวลาจากไปก็เสียใจเอ ถ้าไม่ชอบอะไรพอเจอก็วุ่นวายขึ้นมาทันทีแต่ถ้าเฉยๆได้จะไม่วุ่นวายจะไม่รักไม่ชังแล้วจะสบายจะไม่มีความหึงหวงไม่มีความห่วงไม่มีความกังวลไม่มีความวิตกไม่มีความหวาดกลัว เราอยู่ในโลกที่มันมีของที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาทั้งทั้งที่ดีและไม่ดีทั้งที่ชอบและไม่ชอบมันมาแล้วมันไปตามภาษาของมันมันเหมือนกับดินฟ้าอากาศทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันเหมือนกับดินฟ้าอากาศดินฟ้าอากาศมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็หนาวเดี๋ยวก็แรงเดี๋ยวก็ท่วม มันก็เป็นไปตามธรรมชาติของมันเราไม่เดือดร้อนกับธรรมชาติเพราะอะไรเพราะเรารู้ว่าเราทำอะไรไม่ได้เราไปสั่งให้ฝนตกไม่ได้เราสั่งให้อากาศเย็นอากาศ ร, ร้อนไม่ได้เราก็เลยไม่ค่อยเดือดร้อนไม่วุ่นวายไปกับธรรมชาติไม่ค่อยเดือดร้อนวุ่นวายไปกับดินฟ้าอากาศเราก็อยู่กับมันได้ร้อนเราก็อยู่กับมันได้ หนาวเราก็อยู่กับมันได้ฝนไม่ตกก็อยู่กับมันได้น้ำท่วมก็อยู่กับมันได้ถ้าเรารู้จักวิธีทำใจให้เฉยๆแล้วไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นมันจะไม่ทำให้ใจเราวุ่นวายจะไม่ทำให้ใจเราทุกข์ไม่เดือดร้อน <c oughs> ร่างกายเรามันจะแกะ่เราก็จะไม่เดือดร้อนร่างกายจะเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็จะไม่เดือดร้อน ร่างกายจะตายเราก็ไม่เดือดร้อนเพราะเราไม่ได้เป็นร่างกายเราไปเดือดร้อนแทนร่างกายทําไมร่างกายมันเองมันก็ไม่เดือดร้อนเวลาแก่ pe, มันก็ไม่เคยบ่นว่าแก่เบื่อความแก่คนที่บ่นไม่ใช่ร่างกายะคนที่บ่นก็คือใจเวลาเจ็บไข้ก็บน่นเวลาจะตายก็บน i, ่นร่างกายมันไม่เคยบน่น ไล่คนบดก็ไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไปกับร่างกายแต่กลับไปกลับไปเดือดร้อนแทนร่างกายเพราะความหลงเนีหลงไปคิดว่าตนเองเป็นร่างกายเฮ้ยพวกเราทุกคนนี้มีใครคิดว่าเราไม่ได้เป็นร่างกายมาั่งหรือเปล่าทุกคนคิดว่าเราเป็นร่างกายกันทั้งนั้นใช่ไหมร่างกายนี้เป็นเราเป็นของเราเป็นตัวเราอันนี้ไม่ใช่ความจริงนะความจริงมันไม่ได้เป็นเรา มันเป็นคนรับใช้เราเนี่ยมันคอยรับคำสั่งจากเรานะเราเป็นผู้สั่งให้มันทำอะไรต่างๆงวันนี้ก็สั่งให้มันมาที่นี่พอสั่งมันก็ออกเดินทางตามทาตามเราทุกอย่างมันรับใช้เราเราเป็นนายมันเป็นบ่าวนายกับบ่าวนี้เป็นคนละคนกันเหมือนคนขี่ม้ากับม้านี่เป็นคนละคนกันเ <c oughs> น, น, นี่ย เ, <c oughs> เราเป็นเหมือนคนขี่ร่างกายนี้ เราเป็นคนขี่สั่งให้ร่างกายพาเราไปไหนมาไหนเราก็ปัญหาของเราที่เราไปวุ่นวายกับร่างกายก็เพราะว่าเรากลัววันที่วันจะไม่ทําตามคําสั่งให้กับเรานั่นเองเพราะเรายังอยากไปไหนมาไหนอยู่เดี๋ยวพอเวลาร่างกายมันไม่สบายมันก็พาเราไปไหนมาไหนไม่ได้เวลามันแก่มันก็ไปไม่ไหว เวลามันจะตายมันก็ไปไม่ไหวเราเลยไม่อยากให้มันแก่ไม่อยากให้มันเจ็บไม่อยากให้มันตายพอเราเกิดความอยากขึ้นมาอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมันก็เลยทำให้เราไม่สบายใจเราต้องมาเรียนรู้ใหม่ให้เรามาเรียนรู้ว่าเรานี้เป็นคนใช้ร่างกายร่างกายเป็นคนรับใช้เรา แต่ร่างกายมันก็มีมีธรรมชาติของมันมีความเป็นไปของมันที่จะต้องเป็นไปร่างกายมันไม่อยู่เป็นหนุ่มเป็นสาวไปตลอดมันก็ต้องเจริญแล้วก็ต้องแก่ไปตามวัยตามอายุ ข, ของมันแล้วมันก็ความสามารถที่จะทัรับคำสั่งรับใช้เรามันก็จะน้อยลงไปน้อยลงไปอยู่เรื่อย แล้วในที่สุดมันก็จะไม่สามารถรับคำสั่งทำตามที่เราสั่งได้เราสั่งร่างกายนี้เพื่ออะไรก็เพื่อให้มันไปหาความสุขต่างๆมาให้เรานั่นเองเราสุขกับอะไรเราก็สุขกับรูปที่เราเห็นเนี่ยเสียงที่เราได้ยินเกลิ่นที่เราได้ดมรสที่เราได้สัมผัสด้วยลิ้นและสิ่งที่มากระทบที่ร่างกายของเรา นี่คือวิธีการหาความสุขของพวกเราเราหาความสุขด้วยการใช้ร่างกายไปหารูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเวลาเราได้สัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสที่เราชอบความสุขก็เกิดขึ้นมาเราก็ใช้ร่างกายนี้พยายามหารูปเสียงกลิ่นรสอยู่เรื่อยๆถ้าไปเจอรูปเสียงกลิ่นรสไม่ดีเราก็ หนีมันไม่ไปหามันที่ไหนมีรูปเสียงกิเลสดไม่ดีเราก็ไม่ไปที่ไหนมีรูปเสียงกิเลสดดีเราก็ไปกันแต่วันหนึ่งนี่ร่างกายมันก็จะหมดสภาพหรือมันจะไม่สามารถทำตามทาตามคำสั่งให้กับเราได้พอมันทำตามคำสั่งให้กับเราไม่ได้เราก็เศร้า เหาอยู่คนเดียวอยู่บ้านไปไหนไม่ได้เป็นคนแก่คนไม่สบายนี้ไปไหนกับเขาไม่ได้จะไปเที่ยวไปเล่นไปทําอะไรก็ไม่ได้นั่นแหละตอนนั้นคือตอนที่ชีวิตของเราก็จะเศร้าหมองชีวิตของเราก็จะไม่สดชื่นเบิกบานเหมือนตอนที่เราเป็นหนุ่มเป็นสาวกัน นี่เป็นเพราะว่าเราไปอาศัยร่างกายไปอาศัยรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆมาให้ความสุขกับเรานั่นเองซึ่งมันจะต้องมีวันสิ้นสุดลงเหมือนกับคำพูดที่ว่างานเลี้ยงย่อมมีวันสิ้นสุดลงไม่มีงานเลี้ยงที่จะ เ, เลี้ยงกันไปได้ตลอดแบบไม่มีวันจบวันสิ้นการหาความสุขของพวกเรา ผ่านทางร่างกายมันก็จะต้องมีวันสิ้นสุดลงเมื่อร่างกายมันหมดสภาพไม่สามารถที่จะทำหน้าที่หาสิ่งต่างๆมาให้ความสุขกับเราได้นี่คือปัญหาของพวกเราที่เกี่ยวกับร่างกายเราจึงกลัวความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายเพราะเวลาที่ร่างกายอยู่กับความแก่ความเจ็บความตาย เราจะไม่สามารถหาความสุขต่างๆได้นั่นเองแต่ถ้าเราได้มาศึกษาพระธรรมคำสัง่งคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกว่าความจริงแล้วเราสามารถหาความสุขได้โดยที่ไม่ต้องอาศัยร่างกายเราสามารถหาความสุขที่มีอยู่ในตัวของเราเอง ใจของเรานี่แหละเป็นแหล่งที่มีความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่เลิศที่ประเสริฐกว่าความสุขที่เราได้จากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้แต่พวกเราไม่รู้กันเท่านั้นเองนานๆจะมีคนฉลาดอย่างพระพุทธเจ้าที่มาตัดสรูุข์คาว่าตัดสรูกก็คือค้นพบแหล่งท่องเที่ยวอันใหม่ ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดีกว่าแหล่งแหล่งท่องเที่ยวทั้งหลายที่เรารู้จักกันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่จะให้ความสุขแบบไม่มีวันสิ้นสุดทเที่ยวได้ตลอดเวลา24ชั่วโมง7วัน7วันต่ออาทิตย์3 1วันต่อเดือนแล้วก็เที่ยวได้ไม่ว่าร่างกายจะแก่ไม่แก่จะเจ็บไม่เจ็บจะตายไม่ตายแหล่งของความสุขอันนี้ ไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือมีอยู่ในใจของพวกเราทุกคนเพียงแต่เราไม่รู้กันว่าเรามีแหล่งท่องเที่ยวแหล่งที่จะให้ความสุขกับเราที่ดีกว่าความสุขต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้แต่เราไม่รู้จักวิธีเข้าหามันเราต้องมาเจอคนฉชลาดคนที่รู้จักวิธี คือพระพุทธเจ้าเมื่อก่อนพระพุทธเจ้าก่อนที่จะมาเจอแหล่งของความสุขแบบใหม่พระพุทธเจ้าก็อาศัยความสุขแบบเก่าแบบที่พวกเราหากันตอนที่เป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะพระพุทธเจ้าก็ใช้ร่างกายใช้ตาหูจมูกลิ้นกายหาความสุขจากรูปเสียงกลิดนด่นน็อจัดงานปาร์ตี้ทุกวันมีงานเลี้ยงงานฉลองมี บันเทิงมหัศรศพต่างๆให้ดูให้ฟังอยู่ตลอดเวลาเป็นลูกพระเจ้าแผ่นดิ น, นต้องการอะไรก็เนรมิตได้ต้องการดาราคนไหนก็มาให้เขามาแสดงในวังได้ต้องการจะดูภาพะยะนตร์เรื่องไหนก็ให้เขามาฉายในวังได้ต้องกินอาหารต้องการกินอาหารชนิดไหนก็สั่งเข้ามาได้ไม่ว่าจะเป็นอาหารจีนอาหารไทยอาหารแขก อาหารฝรั่งอาหารญี่ปุ่นสั่งเข้ามาได้หมดนั่นคือการหาความสุขของเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะแต่วันหนึ่งท่านไปเห็นอนาคตของร่างกายเข้าซึ่งท่านไม่เคยเห็นมาก่อนเพราะท่านถูกปิดกั้นไว้ไม่เห็นความจริงของร่างกายคือไปเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายแล้วก็ รู้ว่าร่างกายของท่านก็จะต้องเป็นอย่างนั้นต่อไปต่อไปก็จะต้องเป็นคนแก่คนเจ็บคนตายคนแก่คนเจ็บคนตา ย, ตายที่ท่านเห็นก็ไม่มีใครหัวเราะมีแต่หน้าตาซึมเศร้ามีแต่ร้องโอดควนคางด้วยความทุกข์ทรมานต่างๆท่านก็เลยเห็นว่าวิธีหาความสุขแบบนี้ท่าจะไม่ดีเสียแล้วต้องหาวิธีใหม่ก็เลยไปเจอเห็นนักบวชเขา้า ก็เลยได้ยินว่าพวกนักบวชนี้เขามีวิธีหาความสุขแบบใหม่มีความสุขที่ไม่ต้องใช้ร่างกายไม่ต้องผ่านทางร่างกายคือหาความสุขที่มีอยู่ในใจของพวกเราเองของตัวของเราเองวิธีที่จะเข้าถึงความสุขกันนี้ก็ทำใจของเราให้สงบเท่านั้นเองใจของเรามันไม่สง บ, บเพราะอะไรใจของเราเพราะคิดอยู่เรื่อย เราคิดตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเลยพอลืมตาขึ้นมาก็คิดแล้ววันนี้วันอะไรจะไปทำอะไรดีไปหาอะไรดีไปทาไปพบกับใครดีไปเที่ยวที่ไหนดีไปกินไปดื่มอะไรดีมันก็จะคิดแต่เรื่องราวเหล่านี้อยู่เรื่อยๆมันก็เลยไม่เคยสงบทำให้เราไม่รู้ว่าเรามีของวิเศษของดีอยู่ในตัวของเราเองอ น, นานๆจะมีคนที่มา พบกับความสุขอีกแบบหนึ่งก็คือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านี้ท่านมีบุญเก่าท่านเคยอยู่ดีๆวันหนึ่งท่านนั่งเฉยๆคนเดียวไม่มีใครมาห้อมร้อมจิตของท่านที่เคยไม่เคยสงบก็สงบขึ้นมาเองเพราะว่าไม่มีใครมาชวนคุยไม่มีใครมาชวนคิด พอท่านนั่งอยู่คนเดียวอยู่ใต้โคนไม้ตอนที่สมัยที่ยังเป็นเด็กอยู่จิตของท่านก็สงบขึ้นมาแล้วท่านก็กอดความรู้สึกมีความสุขแบบประหลาดประหัศ จ, จันใจแต่เป็นความสุขชั่วคราวเดี๋ยวพอพวกพี่เลี้ยงพวกคนที่คอยเลี้ยงดูท่านกลับมา ห้อมล้อมท่านก็มาชวนคุยมาชวนเล่นมาชวนทำอะไรความสุขที่ได้จากความสงบนั้นก็หายไปแต่มันไม่หายจากความทรงจำของท่านท่านทรงจำได้ว่าในตัวของเรานี้ก็มีความสุขอีกแบบหนึ่งเป็นความสุขที่ไม่ต้องใช้ร่างกายเราน่าจะกลับเข้ามาหาความสุขแบบนี้น่าจะดีกว่าเพราะต่อไปเราก็จะใช้ร่างกาย เป็นเครื่องมือหาความสุขให้กับเราไม่ได้ในที่สุดท่านก็เลยตัดสินใจว่าจะต้องไปอยู่กับพวกนักบวชเพื่อที่จะได้ไปเรียนวิธีที่จะทำใจให้สงบเพราะเมื่อใจสงบแล้วก็จะได้สัมผัสกับความสุขที่มหัศจรรย์ใจความสุขที่ลอดที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากการเจ็บรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆ ท่านก็เลยไปแสวงหาความสงบจากการไปเป็นนักบวชนะในสมัยนั้นนักบวชก็หาความสงบได้แบบชั่วคราวด้วยการฝึกสมาธิเข้าฌานเวลาจิตสงบเข้าฌานจิตก็ได้พบกับความสุขอ น, นั้นแต่ก็อยู่ไม่ได้ตลอดเวลาเพราะร่างยังมีร่างกายที่จะต้องมาดูแลอยู่ เข้าชาญได้สามวันห้าวันเจ็ดวันก็ต้องออกมาออกมาก็ต้องมาดูแลร่างกายหาหาใน้ร่างกายรับประทานอาบน้ำทำอะไรให้กับร่างกายเวลาออกมาใจก็คิดพอคิดความสงบที่ได้ก็หายไปโดยเฉพาะไปคิดถึงอนาคตของร่างกายว่าต่อไปร่างกายมันจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย เราจะไม่อยากจะให้มันแก่มันก็จะทำให้ไม่สบายใจขึ้นม า, าก็เลยต้องหาวิธีว่าทำอย่างไรที่จะทำให้เวลาออกจากสมาธิมาแล้วใจยังสงบต่อไปได้ใจไม่วุ่นวายใจไปกับความเป็นความตายของร่างกาย ก็เลยส่งพิจารณาศึกษาค้นคว้าหาความจริงก็ส่งค้นพบว่าความไม่สบายใจความวุ่นวายใจเกิดจากความอยากของพระ อ, องค์เองอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายพอรู้ว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายก็ไม่สบายใจขึ้นมาถ้ายอมรับความจริงว่า อยากหรือไม่อยากก็ห้ามร่างกายให้ไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายไม่ได้ร่างกายของคนทุกคนต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายสู้มาเปลี่ยนใจไม่ดีกว่าเลยเปลี่ยนความอยากไม่ให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายให้ทาใจให้เฉยเฉยไม่ดีกว่าเลยเพราะไปห้ามมันไม่ได้ไปไปสั่งมันไม่ได้ อย่าไปอยากไม่ดีกว่าอย่าไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ดีกว่าเลยพอหยุดความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้ใจก็ไม่เดือดร้อนกับความแก่ความเจ็บความตายเท่านั้นเองพระองค์ก็ส่งคนพบวิธีที่จะทำให้ใจนี้สงบตลอดเวลาไม่ว่าจะอยู่ในสมาธิหรือไม่อยู่ในสมาธิก็ตาม เวลาออกมาจากสมาธิพอคิดถึงเรื่องร่างกายก็คิดว่ามันต้องแก่มันต้องเจ็บมันต้องตายห้ามมันไม่ได้สั่งมันไม่ได้ไปอยากเราจะทำให้ไม่สบายใจไปบปล่าๆอย่าไปอยากดีกว่าปล่อยให้เขาแก่ปล่อยให้เขาเจ็บปล่อให้เขาตายไปดีกว่าพอสอนใจทำใจได้ว่าความจริงของร่างกายเป็นอย่างนี้มันจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายด้วยกันทุกคน แต่ใจไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไปกับร่างกายแล้วใจก็ไม่ต้องใช้ร่างกายเพราะว่าใจสามารถมีความสุขจากการทาใจให้สงบได้ก็ไม่ต้องไปกังวลร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเพราะยังสามารถหาความสุขได้หาความสุขจากการทำใจให้สงบได้ พร อ, องค์ก็เลยส่งแก้ปัญหาของความไม่สบายใจต่างๆได้เวลาที่ไม่ได้อยู่ในสมาธิเวลาเกิดความไม่สบายใจก็จะเข้ามาดูที่ใจทันทีว่าไม่สบายใจกับเรื่องอะไระกับเรื่องนี้เพราะอะไรเพราะอยากให้ก็เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ใช่ไหมถ้าไม่อยากไม่อยากแล้วมันจะไม่มีความรู้สึกไม่สบายใจ เวลาเราเห็นใครที่เราไม่ร hmm. right hmm. ู้จ hmm. ักนี่เราไม่ค่อยรู้สึกอะไรใช่ไหมเพราะเราไม่มีความอยากในตัวเขาแต่กับคนที่เรารู้จักคนที่ใกล้ชิดกับเรานี่เรามักจะไม่ค่อยสบายใจเวลาเขาทำอะไรที่มันขัดกับความอยากของเราเพราะเราอยากให้เขาทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ขึ้นมาเราก็เลยไม่ค่อยสบายใจกับเขาแต่คนที่เราไม่รู้จักคนที่เราไม่เกี่ยวข้องด้วยนี่เราไม่ค่อยจะรู้สึกเดือดร้อนไปกับเขาเท่าไหร่ เขาจะเมาเขาจะไม่เมาเขาจะดีเขาจะไม่ดีเราไม่เดือดร้อนแต่พอคนที่เราเกี่ยวข้องด้วยนี้เรากลับไปเดือดร้อนเดือดร้อนเพราะอะไรเพราะเราอยากเนี่ยอยากให้เขาดีอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอเขาไม่เป็นขึ้นมาก็เดือดร้อนร่างกายของเราก็อยากจะให้มันแข็งแรงอยากจะให้มันมีสุขภาพดีอยากจะให้มันไม่เจ็บไข้ได้ป่วย แต่ก็ห้ามมันไม่ได้มันก็ต้องเป็นไปตามเรื่องของมันฉะั้นถ้าเราไม่อยากจะไปวุ่นวายใจกับเรื่องราวต่างๆกับบุคคลต่างๆกับสิ่งต่างๆเราต้องสอนใจให้อยู่เฉยๆอย่าไปอยาก อย่าไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั e ้นเป็นอย่างนี้เขาเป็นอย่างไหนก็ก็รับเขาเป็นอย่างนั้นกันดีกว่าเขาเป็นส้มก็อย่าไปอยากให้เขาเป็นกล้วยพอไม่เป็นกล้วยก็เสียใจพอเขาดื่มเหล้าไม่อยากให้เขาดื่มเหล้าพอเขาไม่เขาเขายังดื่มเหล้าอยู่ก็ไม่เสียก็เสียใจขึ้นมาก็ปล่อยเขาดื่มไปเ็าอยากจะดื่มกเรื่องของเขาเขาจะตายก็เรื่องของเขาไม่ได้เกี่ยวกับเราเท่าไอ ที่เราวุ่นวายเพราะเราไม่อยากให้เขาตายเพราะเรายังต้องอาศัยเขาอยู่อาศัยเขาเป็นเพื่อนแก้เหงาอย่างนี้พอเขาตายเราก็จะไม่มีเพื่อนเราก็จะเหงาเราถึงไม่อยากให้เขาดื่มไม่อยากให้เขาตายแต่ทํายังไงได้เราไปเปลี่ยนเขาได้ที่ไหนเขาเป็นส้มเขาก็ต้องเป็นส้มเขาเป็นกล้วยเขาก็ต้องเป็นกล้วยอย่าไปอยากให้เหนื่อยเปล่าๆถ้าเขาจะเปลี่ยนเขาเปลี่ยนเขาเอง ถ้าเขาอยากจะเปลี่ยนเขาบางทีเขาก็เปลี่ยนเขาเองได้แต่ถ้าเขาไม่อยากเปลี่ยนจะจะใบบังคับเขาไม่ได้นี่นะนั้นคือให้หัดมาทำใจนั่นเองให้เราทำใจยินดีกับสิ่งต่างๆที่เรามาเกี่ยวข้องด้วยจะดีจะชั่วก็เถอว่ามันเป็นมันเป็นเรื่องของความจริงที่เราไม่สามารถที่จะทำอะไรได้ ถ้าทำได้ก็ทำเช่นถ้าไปเจอของไม่ดีเราก็หลีกเลี่ยงเสียอยู่กับเขาไม่ดีก็อย่าอยู่แยกกันอยู่ไปอยู่กับที่อื่นถ้าทำได้ก็ทำไปถ้าทำไม่ได้ก็ต้องทำใจต้องอยู่กับเขาไปก็ทำใจไป ถ้าตาใจเฉยๆได้ก็จะไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายใจเพราะของบางอย่างนี้เราทาอะไรไม่ได้เช่นร่างกายนี้เราได้มันมาแล้วเนี่ยเราจะไปบอกว่าไม่ต้องการแล้วตอนนี้แก่ต้องการต้องการแยกแยกทางกันมันแยกไม่ได้มันจะไปแยกก็ตอนที่มันบดลมหายใจเท่านั้นแต่ช่วงที่มันยังไม่บดลมหายใจก็ต้องหัดอยู่กับมันไป วิธีที่จะทำให้เราอยู่กับมันได้ก็เนี่ยก็คือมาฝึกใจมาทำสมาธิทำใจให้สงบมาหัดปล่อยวางถ้าเราทำสมาธิได้เราก็จะทำใจให้เฉยๆได้อยู่กับความแก่ได้อยู่กับความเจ็บไข้ได้ป่วยได้อยู่กับความตายได้จะไม่ทุกข์จะไม่เดือดร้อนกับความเป็นความตายของร่างกาย ดังนั้นสิ่งที่พวกเราควรที่จะมาทํากันคือมาเปลี่ยนวิธีหาความสุขกันดีกว่าอย่าหาความสุขด้วยร่างกายของเราและสิ่งต่างๆเรานอกจากต้องมีร่างกายแล้วเรายังต้องมีสิ่งนั้นสิ่งนี้มีคนนั่นคนนี้เราถึงจะมีความสุขได้แต่สิ่งต่างๆมันไม่แน่นอนบางทีก็มาบางทีก็ไปบางทีก็อยู่บางทีก็ไม่อยู่เอ เวลาไปก็เศร้าโศกเสียใจกันเวลาอยู่ก็กังวลว่าจะไปหรือไม่ไปไปเมื่อไหร่หรือไปเมื่อควบคุมบังคับก็ไม่ได้สั่งเขาไม่ได้มีแต่เรื่องปัญหาทั้งนั้นถ้าเราหาความสุขแบบนี้ถ้าเราหาความสุขโดยอาศัยร่างกายของเราที่ไม่แน่นอนอาศัยความสุขจากคนนั้นคนนี้จากสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็ไม่แน่นอนเหมือนกัน บางทีก็หาได้บางทีก็หาไม่ได้เวลาหาไม่ได้ก็เกิดความเหงาเกิดความเศร้าเกิดความว้าเหวขึ้นมาสู้มาหาความสุขที่เราสามารถหาได้ตลอดเวลาดีกว่าหาความสุขภายในใจของเราเองด้วยการมาหัดควบคุมใจของเราให้สงบไม่ให้คิดเท่านั้นเองพอเราหยุดความคิดได้ใจเราสงบแล้วเราก็จะสบาย ไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนไม่กังวลไม่ห่วงใยไม่มีปัญหาอะไรกับใครทั้งนั้นใครจะเป็นอะไรไม่ไม่เกี่ยวกับเราร่างกายจะเป็นอะไรไม่เกี่ยวกับเราเราสามารถมีความสุขได้โดยที่ไม่ต้องอาศัยอะไรมาให้ความสุขกับเราเราจึงต้องมาหัดฝึกทาสมาธิกันก่อนจะทาสมาธิได้ก็ต้องฝึกสติก่อน เพราะสตินี้เป็นผู้ที่จะทำให้ใจสงบเป็นสมาธิขึ้นมาถ้าไม่มีสติก็จะไม่สามารถทำใจให้สงบให้เป็นสมาธิได้งั้นก่อนที่เราจะมานั่งสมาธิทำใจให้สงบเราต้องมีสติก่อนถ้าไม่มีสติที่มีกําลังพอที่จะหยุดความคิดได้มันก็จะทำให้ใจสงบเป็นสมาธิขึ้นมาไม่ได้ ตอนนี้พวกเราก็มีสติแต่มีสติไม่มากพอมีสติที่จะพอควบคุมความคิดบางอย่างได้เช่นคิดว่าจะไปทำอะไรไม่ดีเราก็ห้ามมันได้คิดว่าจะไปะขโมยนี้เราคิดว่าอ๋อไม่ดีทำแล้วเดี๋ยวถูกจับติดคุกติดตารางเราก็ห้ามมันได้แต่บางคนถ้าไม่มีสติในระดับนั้นก็ไปทำก็ไปทำไปลักไปขโมยได้ แต่อันนี้ขึ้นอยู่แต่ละคนว่ามีสติมากสติน้อยก่อนที่มีสติมากก็สามารถหักข้ามใจไม่ให้ไปทำอะไรที่เป็นความเสียหายกับตนเองและกับผู้อื่นได้เช่นห้ามไม่ให้ไปทำบาปะไม่ให้ไปฆ่าสัตว์ไม่ให้ไปลักทรัพย์เรามีสติในระดับนี้กันแต่เราไม่มีสติในระดับที่จะหยุดความคิดนะ ความคิดของเรานี้บางทีคิดแล้วก็ฟุ้งซ่านใช่คิดขึ้นมาแล้วบางทีก็นอนไม่หลับกินไม่ได้นอนไม่หลับเพราะอะไรเพราะความคิดนี่แหละเราแต่เราไม่มีสติพอที่จะระ ง, งับมันได้แต่ถ้าเรามาฝึกสติมาเจริญสติต่อไปเวลาเราฟุงา้งซ่านนี้เราจะใช้สตินี้หยุดมันได้ดังนั้นเบื้องต้นเราต้องมาหัด มามามาหัดสร้างสติให้มีกำลังมากขึ้นวิธีที่จะทำสติให้มีกำลังขึ้นมาเราต้องใช้กรรมฐานกรรมฐานนี่คืออารมณ์ที่เราจะใช้ในการที่จะหยุดความคิดต่างๆเช่นกรรมฐานที่เราใช้กันทั่วไปก็คือพุทโธพุทโธหรือการสวดมนต์ก็ได้ เวลาเราสวดมนต์เราก็จะไปคิดถึงคนนั้นคนนี้ไม่ได้เรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้เพราะเราจะต้องคอยอยู่กับการสวดมนต์หรือถ้าเราท่องพุโทโธพุโทโธไปเราก็จะไปคิดเรื่องราวต่างๆไม่ได้นี่คในเบื้องต้นมันอาจยังจะไปคิดได้อยู่เพราะเราพุโทโธยังไม่มากยังมีกำลังน้อยอยู่แต่ถ้าเราฝึกไปเรื่อยๆต่อไป ถ้าเราทำได้นานขึ้นนานขึ้นความคิดมันก็จะเบาบางลงไปแล้วต่อไปมันก็จะหยุดคิดได้อยู่ที่กำลังของพุทโธว่ามีมากมีน้อยถ้าเราฝึกมากพุทโธก็จะมีมากกำลังที่จะหยุดความคิดก็จะมีมากอย่างถ้าเราอยากจะควบคุมความคิดหยุดความคิดเพื่อทำใจให้สงบเพื่อให้เรามีความสุขในตัวของเราเอง เพราะที่เราจะได้ไม่ต้องไปพึ่งร่างกายไม่ต้องไปพึ่งคนนั้นคนนี้ไปพึ่งสิ่งนั้นสิ่งนี้เราก็ต้องมีความเพียรพยายามเพียรพยายามฝึกสติพยายามท่องพุทโธพุทโธพุทโธอยู่เรื่อยๆยยิ่งท่องไปยิ่งมากต่อไปยิ่งยิ่งชำนาญยิ่งเก่งเหมือนกับการ หัดทำอะไรต่างๆเวลาเราหัดทาใหม่ๆตอนต้นเราจะทำาู้ดทำไม่ชำนาญรู้สึกมันยากเช่น mm hmm. เวลาหัดพิมพ์ดีดใหม่ๆนี่ต้องหัดจิ้มทีละนิ้วทีละนิ้วแต่ถ้าเราพยายามหัดไปเรื่อยๆหัดไปเรื่อยๆต่อไปมันก็จะเกิดความชำนาญขึ้นมาต่อไปก็พิมพ์ได้ทีเดียวพร้อมกันสี่ห้านิ้วเลยห้าหกนิ้วเนเพราะว่าเกิดความชนานาญเกิด ความจำนานก็เกิดจากการฝึกซ้อมนี่เองการหัดท่องพุทโธพุทโธอยู่เรื่อยๆนี่ก็เป็นการฝึกซ้อมให้เรามีความจำนานในการใช้พุทโธต่อไปเวลาที่เราต้องการจะหยุดความคิดเราก็ท่องพุทโธพุทโธพุทโธไป ถ้าเราสามารถท่องได้อย่างต่อเนื่องไปสี่ห้านาทีใจก็เนิ่งใจก็จะสงบได้แล้วก็มีความสุขได้ดีความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ความสุขที่ได้จากการไปดูหนังฟังเพลงความสุขที่ได้จากการไปอยู่กับคนนั่นคนนี้สู้ความสุขที่ไดจากความสงบไม่ได้เป็นความสุขที่ดีกว่าและความสุขที่มั่นคงกว่าที่ เราหาได้ง่ายกว่าพอเรารู้จักหาแล้วเราสามารถหามันได้ตลอดเวลาเวลาไหนก็ได้เวลาเช้าเวลาเย็นเวลาบ่ายเวลากลางคืนเพราะเราไม่ต้องไปรอคนนั้นคนนี้รอสิ่งนั้นสิ่งนี้ความสุขนี้เราสามารถเรียกบันขึ้นมาได้ภายในใจเราเองเพียงแต่เราหยุดความคิดได้นั้นเองนั่งหลับตาแล้วก็พุโทโธพุโทโธไปเดี๋ยวมันก็นิ่งละ อนิ่งแล้วเราก็เกิดความสุขเกิดความสบายขึ้นมาแล้วต่อไปเวลาร่างกายเป็นอะไรเราก็ใช้พุโทโธพุโทโธนี่ทำใจให้นิ่งร่างกายเจ็บเราก็ไม่เจ็บไปกับมันเ ร, เราก็ยังสุขอยู่กับพุโทโธร่างกายเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปมันไม่ใช่มันเป็นคนละเรื่องกันเรื่องของร่างกายก็เรื่องของร่างกายเรื่องของใจก็เรื่องของใจ ถ้าใจรู้จักวิธีทำใจให้เป็นสุขแล้วเวลาร่างกายทุกข์ก็ไม่เกี่ยวกันไม่มาลบกวนกันความสุขของใจก็เป็นความสุขของใจความทุกข์ของร่างกายก็เป็นความทุกข์ของร่างกายไปไม่มาลบกวนกันแล้วต่อไปเราจะสบายไม่ว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นมาก็ตามเพราะเราไม่เดือดร้อนเพราะเรา จังสามารถมีความสุขได้เหมือนเดิมจะมีโรคระบาดหรือไม่มีโรคระบาดก็มีความสุขได้เหมือนเดิมจะติดเชื้อจะเป็นโลกขึ้นมาก็ไม่เดือดร้อนก็อยู่กับเชื้อโรคไปอยู่กับโรคไข้ไข้เจ็บไปถ้ามันจะตายก็อยู่กับความตายไปมันไม่เกี่ยวกันความสงบที่ได้จากการใช้สตินี้มันก็จะอยู่กับเราไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุด นี่แหละเป็นวิธีการที่จะแก้ปัญหาต่างๆที่เรามีกันอยู่ในขณะนี้อย่าไปแก้ที่ทรงผมอย่าไปแก้ที่ต้มหูอย่าไปเจาะหูอย่าไปเจาะลิ้นอย่าไปสักนู่นสักนี่อย่าจะไปเปลี่ยนทรงผมเปลี่ยนสีผมไป เจาะหูเจาะจมูกคนสมัยนี้ทำอะไรแปลกๆคิดว่าทำแล้วมันจะแก้ปัญหาได้มันแก้ไม่ได้หรอกมันก็เหมือนเดิมความทุกข์ความไม่สบายใจมันก็ยังอยู่กับเราต่อไปถ้าอยากจะไม่มีความทุกข์ไม่มีความไม่สบายใจมาแก้ที่ใจเรามาทำใจเราให้สงบเท่านั้นเองความความทุกข์ของใจเราเกิดจากความไม่สงบของใจ ความไม่สงบก็เกิดจากความอยากต่างๆนี่เองอยากเป็นนั่นอยากเป็นนี่อยากให้เขารักเราอยากให้เขาชอบเราอยากไม่ให้เขาเกลียดเราเนี่ยความอยากเหล่านี้มันทำให้ใจเราต้องดิ้นต้องไปทาให้มันได้ได้ได้สิ่งที่อยากได้ขึ้นมาแล้วความอยากนี้ก็เกิดจากความหลงว่าว่าความหลงก็คือว่า ความสุขของเราที่แท้จริงนั้นไม่ได้อยู่ที่สิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่ได้อยู่ที่คนนั้นคนนี้ไม่ได้อยู่ที่ร่างกายของเรา แต่อยู่ที่การทำใจให้สงบนี่เองซึ่งเราจะรู้ได้ก็ต่อเมื่อเราได้มาเจอกับพระพุทธศาสนาเท่านั้นถ้าไปเรียนที่อื่นรับรองได้ไม่มีที่ไหนเขาสอนให้ทำใจให้สงบ้วมีแต่สอนให้หาเงินหาทองกันมากๆขึ้นจะได้มีความสุขมากขึ้นแล้วก็เครียดกับการหาเงินหาทองอเครียดกับการดูแลรักษาทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทอง ยิ่งมีมากก็ยิ่งเครียดมากต้องคอยทุกข์คอยต้องคอยห่วงต้องคอยกังวลอยู่เรื่อยๆมีที่เดียวเท่านั้นนะ่ะที่จะสอนวิธีแก้ปัญหาที่ที่ถูกต้องได้ก็คือพระพุทธศาสนานี้เท่านั้นเองถ้ามาเรียนจากพระพุทธศาสนานท่านก็จะสอนว่ามาแก้ปัญหาที่ใจกันดีกว่ามาทําใจให้สงบหาความสุขภายในใจเราหยุดหาความสุขจากสิ่งต่างๆภายนอกใจ เพราะสิ่งต่างๆภายนอกใจมันเป็นของที่ไม่แน่นอนไม่ไม่มันไม่มั่นคงได้แล้วเดี๋ยวก็หมดไปไม่ถาวรไม่ว่าจะได้อะไรมาดีใจเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวความดีใจก็หมดไปพอหมดไปก็ต้องหาอย่างอื่นมาให้ความดีใจให้ความสุขใจอีกหากี่ครั้งกี่คราวก็แบบเดียวกันจึงต้องคอยหาอยู่เรื่อยๆ หาไปจนทนถึงจนถึงวันที่หาไม่ได้ก็ก็ซึมเศร้าเนี่ยในสมัยนี้ยุคนี้คนที่หาสิ่งต่างๆกันด้วยร่างกายเนี่ยพอเวลาร่างกายแก่หรือเป็นโรคภัยไข้เจ็บรักษ า, ามไม่หายก็อยากจะฆ่าตัวตายแล้วเพราะว่าอยู่ไปก็ไม่มีความสุขไม่สามารถใช้ร่างกายหาความสุขให้ได้อีกแล้วก็อยากจะฆ่าตัว ต, วตาย ก็อยากจะให้หมอช่วยให้ตายแบบสบายให้ฉีดยาตายหมอก็บอกว่าทำไม่ได้ผิดกฎหมายตอนนี้ก็เลยมีความพยายามที่จะไปผลักดันกฎหมายฆ่าตัวตายออกมาเห็นหเนี่ยถ้าเรงหาความสุขแบบนี้แล้วมันก็จะต้องจบลงด้วยวิธีฆ่าตัวตายกันสู่มาหาความสุขแบบ ทำใจให้สงบดีกว่ารับรองได้ว่าจะไม่มีการฆ่าตัวตายร่างกายจะแก่ก็ปล่อยมันแก่ไปมันจะเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปมันจะตายก็ปล่อยมันตายไปไม่เดือดร้อนเพราะยังสามารถหาความสุขได้เหมือนเดิมเหมือนตอนที่ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย น, นี่คือสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้จะได้รับจากการที่เราได้มา พบกับพระพุทธศาสนาเราจึงควรที่จะศึกษาธรรมะคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าให้มากความจริงไม่ต้องเรียนมากอ่ะให้เรียนรู้วิธีทำใจให้สงบก็พอวิธีแล้วก็ให้เอาไปปฏิบัติเรียนแล้วไม่เอาไปปฏิบัติก็จะจะไม่เกิดผลขึ้นมาเหมนนี้ก็ได้เรียนรู้แล้วว่าถ้าอยากจะทำใจให้สงบก็หัดท่องพุทธโธเท่านั้นเอง ลองเอาไปทำดูพุทธโธมันยากแค่ไหนลองท่อ ง, งพุทธโธสักห้านาทีได้ไหมลองลองเดินจงกรมก็ได้เดินไปแล้วท่องพุทธโธพุทธโธอย่าเผลอนะไม่ใช่พุทธโธได้สองคำไปแล้วไปคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วอีก5้านาทีถึงนําจำได้ว่าพุทธโธหายไปแล้ว <c oughs> ถ้าทำอย่างนี้ก็ยังไม่ได้เรื่องนะต้องแบบพุทธโธพุทธโธไปอย่างเดียวไม่มีอะไร ไม่ไปคิดถึงเรื่องอะาวต่างๆนะใครทำได้ห้านาทีรับประกันได้ว่าจะเห็นผลที่ไม่เคยเห็นมาก่อนในชีวิตเห็นความรู้สึกที่ต่างใจจะว่างจะเย็นจะสบายจะรู้สึกเหมือนเป็นคนละคนเลยของนี้ความจริงมันจะว่าง่ายเหมือนก็ง่ายนะการท่องพุทโธคมเดียวมันจะยากตรงไหนแต่มันยากตรงที่เราไม่สามารถทาได้เพราะเราไม่เคย ชอบอยู่กับคําเดียวเราชอบอยู่กับหลายเรื่องคิดเรื่องนี้แล้วก็อยากจะคิดเรื่องนั้นต่อชอบเปลี่ยนเรื่องคิดไปเรื่อยๆพอให้อยู่กับเรื่องเดียวแล้วมันรู้สึกเบื่อมันจําเจมันซ้ำซากก็เลยไม่อยากจะคิดไม่อยากจะท่องกันลองฝืนดูต้องบังคับดนะูการจะทําใจให้สงบนี่ต้องมีการบังคับต้องฝืนขอให้เรามองที่เป้าหมายของของผลที่เราจะได้จากการ กระทำใจให้สงบพยายามฝึกพุโทโธไปเรื่อยๆลองหัดทาดู เรามีเวลาฝึกพุทธโธได้เยอะแยะตอนเช้าตื่นขึ้นมาเนี่ยก่อนที่เราจะไปทำงานเราก็ต้องเตรียมตัวใช่ไหมต้องอาบน้ำอาบาางงหน้าแปรงฟันเนี่ยช่วงนั้นลองพุทธโธไปดูเลยไม่ต้องไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้เสียเวลาลืมตาขึ้นมาก็ตื่นขึ้นมาดูนาฬิกาออกต้องรีบแต่งตัวเอาช่วงที่รีบแต่งตัวก็พุทธโธพุทธโธพุทธโธไปอาบน้าล้างหน้าแปรงฟันก็พุทธโธไป แต่งแต่งเนื้อแต่งตัวเสร็จแล้วประทานอาหารกับพุทธโธพุทธโธไปจนกว่าจะต้องไปใช้ความคิดแล้วค่อยคิดจนช่วงนั้นเราก็จะได้กำไรเยอะแยะเพราะกว่า อ, อย่างน้อยก็ได้สักครึ่งชั่วโมงชั่วโมงแล้ถ้าฝึกพุทธโธอย่างนั้นต่อไป เราจะมีกำลังของสติที่จะคอยควบคุมความคิดได้เวลาไปทำงานไปเจอเรื่องเครียดมากๆก็ไปพุโทโธพุโทโธเข้าห้องน้ำไปนั่งพุโทโธเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็หายพอลืมเรื่องที่ทำให้เราเครียดความเครียดมันก็หายไปลองหัดทาดูดีกว่าทำอะไรอย่างอื่นทั้งหลายในโลกนี้การท่องพุโทโธนี้ก็เป็นเหมือนกับการออกกำลังใจ สมัยนี้นิยมออกกำลังกายกันเนี่ยชอบวิ่งกันชอบไปทาแอโรบิกทาอะไรกันแต่ประโยชน์ทางร่างกายนี่สู้ประโยชน์ทางจิตใจไม่ได้ถ้าเราออกกำลังใจเป็นต่อไปใจเราจะเข้มแข็งเวลาเจอเหตุการณ์อะไรเราจะสามารถที่จะประเชิญกับมันได้เจออะไรถ้าใจหวั่นไหวก็ท่องพุทโธพุทโธไปภายในใจเดี๋ยวมันก็นิ่งเฉยได้ เวลาโกรธอะไรก็พุโทโธพุทโธไปเดี๋ยวก็หายโกรธเวลากลัวก็พุโทโธพุทโธไปเดี๋ยวก็หายกลั ว, ว, ล, ล, ว, ว, ล, วลองทําดูเป็นของวิเศษของประเสริฐแล้วถ้าเรามีเวลาว่างเราก็ไปนั่งหลับตาพุโทโธพุธโทโธไปพักจิตพอจิตสงบนิ่งก็จะเกิดความสุขอันมหศัศจรรย์ใจขึ้นมาเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวง อันนี้เป็นสิ่งที่เราควรที่จะเรียนและหัดเอาไปทำความจริงพุทธศาสนา น, นี้ไม่สอนมากหรอกถึงแม้จะมากก็สอนเรื่องเดียวนั้นทุกทุกเรื่องที่พระเจ้าสอนนี้สอนเพื่อให้เราทำใจให้สงบเนั้นเองฉะนั้นวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือการฝึกใช้พุทโธพุทโธนี่ขอให้ลองไปทากันดูนะลองเอาตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเลยพรุ่งนี้พอตื่นขึ้นมา จำคำสอนคำสั่งได้ว่าหลวงพ่อบอกให้พุโทโธพุโทโธลองดูซิว่าจะได้พุโทโธได้นานสักเท่าไหร่อย่าไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไ้ถึงเวลาค่อยไปคิดไปถึงไปที่ทำงานแล้วค่อยคิดก็ได้นะอดีตก็ผ่านมาแล้วอย่าไปคิดให้เสียเวลาไปเปลี่ยนมันไม่ได้ไปลบมันไม่ได้มีแต่ปัจจุบันเท่านั้นที่เราจะทำอะไรได้ ตอนที่เรายังไม่ต้องทาอะไรแล้วก็ทำใจให้ว่างดีกว่าอย่าปล่อยให้มันคิดฟุ้งซ่านไปเปล่าๆทำให้ใจเราเดือดเน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าทำให้ท้อแท้เบื่อหน่ายถ้าหยุดความคิดได้นี่อารมณ์ท้อแท้เบื่อหน่ายนี่จะไม่มีจะมีกำลังที่จะเดินไปข้างหน้าต่อไปที่จ ะ, ะเผชิญกับเหตุการณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตาม ถ้าเรามีสติแล้วจิตใจของเราจะมั่นคงจะไม่หวั่นไหวจะไม่หวาดกลัวจะไม่วิตกไม่กังวล น, นี่คือเรื่องที่พุทธเจ้าทรงสอนและนำมาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคลัง เอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกักปติอิชิตังปชิตังตุมหังคิปปเมวะสมิจจาตุสัพเพปเรนโตจังกปาจันโทปนะราโสยทามณีโชติระโสยทาสัพพิตโยวิวะจันโต สัพพโรโควินัสสตูมาเตผวะตวันตารายุสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนศีลิสานิจจังวุฒาปะจายโนจตารโหธรรมาวัฏฐานติอายุวันโอสุขังภาละ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 วันนี้ผู้ติดตามทางบ้านมีเท่าไหร่วันนี้ทำ Facebook เข้ามา556ย t u b บ363วิธีออนไลน์17รับฟังข้างบนนี้90คนรวมทั้งหมด 1,026 ครับอ่ม เ, อเชิญถามได้เลยถ้ามีคำถามคำถามจากคุณศิราเหตุใดผู้ที่ชอบมองแต่ความบกพร่องหรือสิ่งไม่ดีของผู้อื่น มักจะไม่หันมาสํารวจตนเองครับเป็นธรรมชาติของกิเลสของความหลงความหลงนี้ชอบมองความผิดของผู้อื่นแล้วชอบมองความถูกของตนท่านถึงมีคําพูดว่าความผิดของคนอื่นแม้จะเป็นผงธุลีก็เป็นเหมือนภูเขาออความผิดของตนแม้จะถ้าภูเขาก็เป็นเหมือนผงธุลีน ส่วนความถูกของคนอื่นแม้จะกองเท่าภูเขาก็เหมือนผงทุลีส่วนความถูกของตนแม้จะแค่ผงทุลีก็เหมือนกับกองภูเขานี่คือธรรมชาติของโมหะของความหลงของอัตตาตัวตนชอบมองตนในในแง่ดีแล้วมองคนอื่นในแง่าร้ายเพราะอยากจะยกตนข่มท่านนั่นเองชอบคิดว่าตนเองนี้ดีกว่าคนอื่น จึงไม่ค่อยได้ดีเท่าไหร่คนที่ดีเนี่ต้องมองความชั่วของตนแล้วก็มองความดีของคนอื่นเอออคนย่าไปมองความชั่วของคนอื่นมองความดีของคนอื่นแล้วก็มองความชั่วของเราอย่ามองความดีของเราพอมองความดีของเรามังจะชอบยกหางกันชอบโอ้อวดกันโอยฉันดีอย่างนั้นฉันดีอย่างนี้ซึ่งความจริงอาจจะไม่ดีอย่างที่พูดก็ได้ ถ้ามองความชั่วหรือความไม่ดีของตนจะได้แก้ไขได้ถ้าไม่ดีแม้แต่เป็นผงธุลีก็รีบแก้ไขเสียเพราะว่ามันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้ต่อไปฉนั้นหัดมองตรงกันข้ามกับความหลงความอยากของกิเลสกิเลสชอบมองความชั่วของคนอื่นหัดไปมองความดีของคนอื่นดีกว่าเราจะได้รักเขาชอบเขาเป็นมิตรกับเขา แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าถ้าเขามีความชั่วไม่มองก็ดูด้วยเนดูให้รอบควอบมองทั้งสองอย่างจะได้ไม่ถูกหลอกไปคิดว่าเขาดีอย่างเดียวเดี๋ยวเกิดเขาไม่ดีจริงก็อาจะถูกหลอกได้เหมือนกันแต่หมายความว่าอย่าไปวิพากษ์วิจารณ์ความชั่วของเขาเขาชั่วก็ปล่อยให้เขาชั่อไปไม่ใช่เรื่องของเราคำถามจากคุณเพชรน้ำหนึ่งครับ การอดอาหารเพื่อทำความเพียรกับไม่อดอาหารเพื่อทำความเพียร น, นั้นมีประโยชน์แตกต่างกันอย่างไรครับสำหรับบางคนถ้าถูกจริการอดอาหารนี่มันมีประโยชน์หลายอย่างหนึ่งมันจะแก้ความง่วงนอนง่วงเหงาเหาวนอนได้สองมันจะบังคับให้เราต้องปฏิบัติต้องภาวนาเพราะเวลาเราหิวในี่ใจมันจะทรมานเราก็ต้อง หยุดความทรมานของใจด้วยการเข้าสมาธิมันก็เป็นวิธีกระตุ้นให้เราต้องภาวนาต้องนั่งสมาธิถ้าเรากินอิ่มแล้วมันจะไม่มีอะไรกระตุน้นมันมีแต่หมอนที่จะมาคอยกระตุ้นเราเราก็จะขี้เกียจเราก็จะไม่ได้ปฏิบัตินะยห็นถ้าเราอยากจะปฏิบัติให้มากขึ้นเราต้องมีมาตรการในการกระตุน้นความเพียนของเรา การอดอาหารนี้ก็เป็นมาตรการหนึ่งที่จะสามารถกระตุ้นให้เราต้องมีสติมากขึ้นต้องคอยควบคุมความคิดหรือต้องเจริญปัญญาเพื่อระ ง, งับความหิวปัญญาที่จะระ ง, งับความหิวก็คือการพิพจารณาความเป็นปฏิกูลของอาหารอาหารเราต้องดูมันตั้งแต่จานเข้าไปในปากในท้อง จกระทั่งมันออกมาในส้วมนะมันถึงจะได้เห็นเห็นครบวงจรของอาหารแล้วความหิวมันความอยากกินอาหารมันก็ได้ถูกกำจัดไปพอความอยากถูกกำจัดไปความทรมานใจก็ไม่มีใจก็สงบ ใจไม่หิวที่หิวคือร่างกายแต่ร่างกายมันไม่เดือดร้อนมันไม่กินมันก็ไม่บนดไอ้ที่มันเดือดร้อนคือใจพอเราใช้ให้มันเห็นพอเราบังคับให้มันดูปฏิกูลของอาหารมันก็เลยไม่หิวตามมันก็เลยการอดอาหารก็เลยไม่ทรมานแล้วมันก็จะทาให้ทาความเพียนได้ต่อไปแล้วต่อไปเรื่องรับประทานอาหารก็จะไม่มีปัญหา เวลาถ้ายังไม่ถึงเวลารับประทานอาหารมันอยากจะรับประทานอาหารเพียงแต่นึกถึงปฏิกูลของอาหารมันก็หายหายอยากทันทีลดน้ําหนักได้พวกที่อ้วนๆนี่อยากจะลดน้ําหนักไม่ต้องไปเข้ายิมไม่ต้องไป อ, ออกกําลังกายเต้นให้เหนื่อยยิ่งออกกําลังกายยิ่งหิวนะวิ่งเสร็จเดี๋ยวก็ต้องมากินใหม่อ่อาหัดมาพิจารณาปฏิกูลของอาหารดูดูอาหารตอนที่มันอัดเจนออกมา ตอนที่อยู่ในปากแล้วคายออกมาหรือตอนที่ถ่ายออกมาโอรยมันเห็นอย่างนี้แนละ้วเราไม่อยากจะกินนะคำถามจากผู้ฝากถามก็สุดท้ายนะคาถามกครับหากคนที่เราหวังดีด้วยแวดล้อมตนเองด้วยคนทุศีลหากเราเอง แยกตนเองออกห่างจากผู้ที่เราหวังดีด้วยเราจะเป็นคนไร้ความเมตตาไหมครับไม่เราก็เมตตาก็ได้การแยกออกไม่ได้หมายความว่าเราไม่มีความเมตตาเราก็ยังดูแลกันได้ช่วยเหลือกันได้ตามตามความเหมาะสมแต่เราไม่ต้องไปคุกคีกับเขา เขาอยากจะอยู่กับพวกเล่นไพ่เราไม่เล่นไพ่เราก็แยกตัวออกมาเขาอยากจะอยู่กับพวกดื่มสุดาเราไม่ดื่มสุราเราก็แยกตัวออกมาแต่ก็ยังเป็นมิตรกันได้ยังส่งข้อความส่งถามหาสารทุกข์สุขดิบกันได้ถ้ามีความเดือดร้อนช่วยเหลือกันได้ก็ช่วยเหลือกันไปอันนี้มันไม่เกี่ยวกับเรื่อ ง, องความวาเมตตาเราไม่เมตตามปนเรื่องเกี่ยวกับการที่เราเอาจะไป อยู่ในวงการใดถ้าเป็นวงการที่เราคิดว่ามันไม่ได้ทำให้เกิดความเจริญเราก็อยากเข้าไปอยู่ในวงการนั้นเท่านั้นเองเอาลานะวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านจงนำเราสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถิ